Thank mm -hmm. you.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 ยอดปราถนาของเทวดาอันนี้พระเจ้าจัดไว้นะว่าพิสูจน์ทั้งหลายนะความเป็นมนุษย์นี่แลนะเป็นที่ปราถนาเป็นสุคติของเทวดาทั้งหลายุกติหมายถึงว่าที่เกิดหรือว่าที่ไปเทวดานี่เวลาจติก็อวยพรกันว่าให้ได้มา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 หลายประการโดยเฉพาะความสามารถในการที่จะพ้นทุกข์ได้อันนี้คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ตามตำนานว่าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อมาเกิดในโลกมนุษย์ซึ่งเป็นภพภูมิที่เหมาะสาหรับการที่จะตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ความเป็นมนุษย์นี่ประเสริฐกับเทวดาหลายประการเช่นมีความกล้าหาญมากกว่ามีสติดีกว่าแล้วก็มีความสามารถในการประพฤติปรมจรันปรมจันในที่นี้หมายถึงชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่สามารถจะเจริญในมรรคมีองค์8ได้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่ ครองเพศพรมจันทร์ถือไม่มีครูอันนั้นเป็นความหมายที่แคบคนเราถ้าตราบใดที่ยังมีร่างกายเป็นมนุษย์แม้จะไม่ครบ32ก็ยังสามารถที่จะมีความสุขสามารถที่จะทําสิ่งดีงามสร้างสรรค์สิ่งที่ประเสริฐได้ ถ้าหาว่ายังมีจิตใจนะที่คิดได้รู้สึกได้คือมีจิตใจอย่างมนุษย์มีสมองมีความรู้สึกมีคนพิการหลายคนเกิดมาไม่มีแขนไม่มีขาแต่เขาก็มีความสุขอย่างชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะชื่อโอโตะเกะ ก็เขียหนังสือเรื่องไม่ครบ5้าไม่ครบ5้าคือว่ามีแต่หัวไม่มีแขนสองไม่มีขาสองมันเป็นหนังสือที่ขายดีมากมมีแปลเป็นไทยชีวิตเขาก็น่าจะอาพับแต่ปกรกว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งเขาเขีย okay, นว่าในผมเกิดมาพิการแต่ผมมีความสุขและสนุกทุกวัน ตอนที่ไม่มีแขนไม่มีขาแต่เขาก็สามารถที่จะทำอะไรได้ต้องหลายอย่างคือพึ่งตัวเองได้ปินข้าวอาบน้ำใส่เสื้อผ้าเขียนหนังสือแม้แต่เล่นกีฬาบาสเกตบอลเขาก็ยังพอจะเล่นได้นะมีมีถ่ายรูปเขาไว้ตอนที่เขายังเป็นเด็กนะเล่นบาสเกตบอลทวนนี้เขาก็มีชีวิตที่ผาสุก อย่างอีกคนหนึ่งที่ ค, คล้ายกันนะมีชื่อมากคนนี้ยีกไม่กี่เดือนจะมาเมืองไทยชื่อนิกบจิสิกนะเป็นฝรั่งก็ไม่มีแขนไม่มีขานะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่มีความสุขเพิ่งเข้าพิธีพิวะไม่กี่เดือนมานี่เองคือเขาสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคน ตัวโลกได้เขาเคยคิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่าหมดแล้วชีวิตนี้ทำอะไรไม่เหมือนมนุษย์าเขาไม่มีแขนไม่มีขาแล้วจะทำอะไรได้โลกนี้มันเป็นโวงคนที่มีแขนมีขาอาการสายสองครกตอนน้าอายุสิสามแต่ว่าพอเ็าได้อ่านเรื่องราวของคนที่พิการเหมือนเขานะแต่ว่า สามารถจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเออก็จะเกิดมาเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีมือมีเท้ามีอาการสายอสองครบว่าสามารถจะมีความสุขสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าได้ นั่นก็ทำให้เขามีจุดพูกหมายในชีวิตแล้วก็เชื่อว่าเขาคงมีความสุขมากกว่าคนจำนวนมากนะที่มีมือมีไม้มีทุกอย่างอย่างที่เราได้ยินข่าวนะ้วคนที่ค่าตัวตายนั้นะแทบจะร้อยทั้งร้อยนะไม่ใช่คนพิการนะไม่ใช่คนพิการเป็นคนที่มีมือมีเท้ามีอวัยวะสายสองครบ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 อยู่คนเดียวกินข้าวอาบน้ำถูฟันบางคนก็มีเท้าไม่มีมือแต่สามารถเล่นดนตรีเล่นกีตาร์ได้เพราะ ม, มากอย่างเตนตรีชื่อโทนิเมนเดสนี่ดนตรีของเขานี่มีคนฟังทั่วโลกนะทั้งที่เขามีแค่ขาสองข้างกันนั่นเองแต่เล่นกีตาร์คลาสสิกได้เพราะ ม, มาก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 แล้วก็สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจกับผู้คนได้หน้าตาท่านแจ่มใสยิ้มแยม้มตรงข้ามกับหลายคนที่มาปรึกษาท่านมีความทุกข์กันทั้งนั้นท่นั้งที่มีทุกอย่างมีสารภาพเดินเทินไปไหนมาไหนได้นะมีมือมีไม้ครบแต่มีความทุกข์บางคนท่าก็บอกว่าถ้าหาว่าพิการเหมือนอย่างอาจารย์กำพลแต่ว่ามีความสุขเหมือนอย่างท่านก็ ก็ยอมแต่จริงก็ไม่ไมต้องแลกหรอกนะแล้วมันก็แลกไม่ได้ด้วยแต่ถ้ายังมีจิตใจและสามารถใช้จิตใจซึ่งเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดอย่างหนึ่งที่เรามีเนี่ยให้ฝึกฝนก็สามารถจะประสบหรือมีความแช่มชื่นแจ่มใสเบิกบานเมื่อจา์กํามผลได้พวกเราทุกคนก็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 เขาบอกเขาใช้วิธีกระดดอลิ้นมีคนหนึงเขาเป็นตาบอดตั้งแต่วัย13ตั้งแต่13เดือนปีเศษเขาใช้วิธีกระดดอลิ้นเหมือนกับค้างคาวหรือเหมือนกับเลดา้าคือลิ้นเสียงคลื่นเสียงเนี่ยมันเวลามันไปชนกับเสามันก็จะสะท้อนกลับมาที่หูเขาเขาบอกเนี่ย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 แต่ว่าเขาสามารถจะรู้ได้จากเสียงกระดดลิน้นพอกระดดลิ้นไปเสียงมันออกไปทุกที่ทุกทางแล้วก็เด้งกลับมาเขาก็เห็นภาพบ้านอยู่ข้างหน้าในรัศมีห0ิเมตรงั้นเขาสามารถขี่จั ก, กรยานได้สบายไม่ใช่แค่เดินอย่างเดียวแต่คนที่ทำได้นี้ก็มีหลายคนการแค่กระดดลิ้นนี่มันมันหมายความว่าหัวเขานี่ต้องไวมาก และสมองเขาก็สามารถแปลแปลเสียงให้เป็นภาพที่นึกขึ้นมาเองได้อันนี้น่าสัจรันมากมันแสดงให้เห็นว่าคนเรานี่ถ้ายังมีแม้จะมีร่างกายบกพร่องแค่ไหนพิการแค่ไหนถ้ายังมีสมองมีจิตใจก็สามารถที่จะรับรู้อะไรได้ต้องหลายอยา่างสามารถที่จะมีชีวิตอย่างพาสุก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 การมีปัจจุบันขนาเนี่ยมันหมายความว่าเรายังมีชีวิตยอยู่เรายังมีลมหายใจอยู่คนตายนี่เขาไม่มีปัจจุบันละมีแต่อดีตอนาคตก็ไม่มีแต่บางคนนี่แม้มีลมหายใจก็เหมือนคนตายนะอยู่เหมือนตายเพราะว่าเขามัวแต่อะไรโศกเศร้าเพราะคิดถึงแต่อดีต บางคนเสียสามีบางคนเสียภ ร, รยาก็าทำใจไม่ได้อย่างมีคนหนึ่งเสียสามีไปเป็นสามีที่ดีมากเอาเป็นคนมีเอาใจใส่ครอบครัวรักลูกรักภรรยาแต่ว่าตายแบบปัจจุบันทันด่วนภรรยานี้ก็เสียศูนย์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 ไม่ใช่แค่ความสุขเท่านั้นนะแม้กระทั่งธรรมะนะที่จะสามารถยกจิตจดใจของไร้พ้นจากความทุกข์ได้นี่จะรับรู้ได้ก็ต้องใจเปิดรับอยู่กับปัจจุบันพระอรหารนี้ท่านบรรลุธรรมเพราะว่าท่านพิจารณาสิ่งที่ปรากฏแก่ท่านในปัจจุบันเห็นอย่างแจ่มแจ้งจนเข้าใจธรรมะแจ่มแจ้งในธรรมะ สิ่งที่ปรากฏแก่ปัจจุบันสิ่งที่ปรากฏแก่เราในปัจจุบันนี้อาจจะหมายถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าอาจจะหมายถึงสิ่งที่ปรากฏแก่กายและใจของเราไอา้สิ่งนี้เป็นปัจจุบันธรรมนะรท่านเรียกว่าปัจจุบันธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นแก่เราปรากฏแก่เราในปัจจุบันด้วยแล้วแต่มีค่าครูเจ้าตรัสว่าเนี่ย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 ก็พิจารณาว่อ๋นี่คือกับดักของมัจจุราชเป็นกับดักของมารโลละเต็มไปตเต็มไปได้วยโทษท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายจิต ก, ก็หลุดพน้นเห็นนางฟอสรมเห็นหญิงฟอสรมสวยงามนะแต่ว่าจใจท่านไม่หลงท่านก็พิจารณาก็เป็นการบรรลุธรรมจากการที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ยังมีสติใจไม่ได้หลงไปด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบันธรรมไม่ใช่มีเฉพาะสิ่งที่ปรากฏกับเราข้างหน้าแต่ว่าสิ่งที่กำลังเกิดกับเราด้วยนะเช่นขณะ น, นี้เราอาจจะกำลังเมื่อยอยู่ถ้าเราพิจารณามันด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวมันก็ทำให้เราได้เห็นและรู้จัก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 ต่อไปก็จะเห็นมากขึ้นไปเรื่อยๆ อ, อ้อความปวดมันก็มาแล้วก็ไปมันไม่เที่ยงอันนี้ก็เป็นปัจจุบันธรรมที่ถ้าเห็นด้วยใจที่มีสติใจที่อยู่กับปัจจุบันจริงๆไม่หลงเข้าไปมันก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้อย่างบางท่านขนาถูกเสือกัดเจ็บปวดมีทุกขเวทนามาก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 ขณะเที่ยงอยู่ในปากเสืออันนี้ก็เรียกว่าท่านท่านพิจารณาปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมในขณนะนั้นก็คือความปวดเป็นอาการที่เกิดกับกายแต่ว่าถ้าหากว่าใจอยู่กับปัจจุบันคือมีสติมีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันกลายเป็นประโยชน์ขึ้นมาสามารถทําให้หลุดพ้นได้ ปัจจุบันขนาหรือปัจจุบันธรรมก็ยังรวมถึงการที่เราทำสิ่งใดก็ตามหรืออยู่ในเอเรียบทใดก็ตามไม่ว่ายืนเดินนั่งนะไม่ว่าคูกขาเหยียดขาไม่ว่าเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังอันนี้เป็นปัจจุบันถ้ากว่าเรามีความรู้สึกตัวใจอยู่กับปัจจุบันก็จะทำให้เรามีใจที่โปร่งเบาสบาย เบิกบานแล้วก็สติที่มาใช้กับการที่สร้างความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นก็ยังสามารถที่จะเอาไปใช้ในกิจการงานต่างๆได้รวมทั้งเอาไปใช้ในการทำวิปัสสนานั้นปัจจุบันขนาดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเราต้องใช้ให้เป็นด้วยการที่เรา เปิดใจรับรู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันธรรมเวลาทำงานใจก็อยู่กับงานที่ทำอันนี้ก็เรียกว่าเรากาลังอยู่กับปัจจุบันละหรือแม้แต่เวลาจะคิดเรื่องอะไรที่เป็นงานเป็นการและใจเราก็อยู่กับสิ่งที่คิดนั้นไม่เผลอไม่เผลอ ไ, ไม่วอกแวกกาลังประเมินผลงานในอดีตเราอยู่กับสิ่งนั้นอันนั้นก็เรียกเป็นปัจจุบันนะ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 เช่นอาบน้ําถูฟันกินข้าวนั่นคือปัจจุบันถ้าว่าเรารับรู้อยู่กับปัจจุบันจึงที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี้มีค่ามากที่ถูกเพราะไม่รู้สึกตัวที่กลัดกลุ้มกลุ้มใจก็เพราะไม่รู้สึกตัวอีกโกรธเกลี้ยวกลัวก็เพราะไม่รู้สึกตัว การทำความสุกตัวให้เกิดมีขึ้นเนี่ยมันสำคัญมากมันทำให้มันก็เป็นประตูมันก็เป็นกุญแจไขไปสู่คุมทราบที่ปัจจุบันธรรมเตรียมไว้ให้เร า, าท่านทินาทานก็พูดเหมือนกันนะว่าท่านเขียนเป็นพาสิตนะเอาไว้เคยไปเยี่ยมท่านเมื่อเดือน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 ก็สามารถปรากฏแก่เราได้ในปัจจุบันขณนะอยู่ที่ว่าใจเราพร้อมไหมใจเราหลงไปอดีตหลงไปอนาคตใจเราลืมหรือเปล่าถ้าใจเราเปิดรับสิ่งที่เป็นปัจจุบันขณะก็จะสามารถพบกับสิ่งอัศจรรย์เหล่านี้ได้ลวมทังการบารุธรรมที่คนเราสามารถจะบารุษธรรมได้ น, นี้มันเป็นความจริงที่ ทุกคนสามารถจะทําได้นะพรนะพุทธเจ้าตรัสว่าอริยะโลกุตตะรธรรมเป็นทรัพย์ประจําตัวของทุกคนอริยะโลคุตตะรธรรมก็หมายถึงว่าความสภาวะที่เป็นอิสระจากทุกข์เป็นอิสระจากกิเลสมันเป็นทรัพย์ที่มีอยู่กับเราทุกคนอันนี้คือสิ่งประเสริฐสูงสุดอันหนึ่งนะที่เรามี จะเลืเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดที่สุดก็ได้ความเป็นมนุษย์มันไม่มีค่าเลยนะถ้ า, าว่าไม่มีสิ่งนี้หรือว่าเราไม่รู้จักสิ่งนี้ที่มีอล้ในใจเรามนุษย์เราทุกคนยมีความสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้นะมนุษย์เราแม้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องพัดพลาดสูญเสียและต้องตายในที่สุดแต่เรา สามารถจะพ้นจากความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้ได้คือแก่ก็ไม่เป็นทุกข์เจ็บก็ไม่เป็นทุกข์ป่วยก็ไม่เป็นทุกข์นะพัฒน์พลาสูญเสียก็ไม่เป็นทุกข์ทุกในที่นี้หมายถึงทุกข์ใจนะเราจะไม่ทุกข์ใจถ้าเกิดว่าเราคน้นพบหรือเราได้รู้ว่าเรามีความสามารถตรงนี้อยู่และสามารถใช้อริย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 เสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสารเสรื่อมีนินทามีสุขมีทุก์คนเราเนี่ยทุกวันนี้ทุกก็เพาะในโลกธรรมนี้แหละทีแรกก็ดีใจเมื่อได้มาเมื่อได้ลาบได้ยศแต่พอเสื่อมลาบเสื่อมยศก็ทุกดีใจเมื่อได้รับคำสารเสริญแต่ก็ทุกเมื่อถูกต่อว่าด่าทอแล้วคนเราเนี่ยราบได้ที่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 ที่พูดมาตั้งแต่ต้นนะมันอาจจะเป็นความเป็นมนุษย์ก็ดีการมีร่างกายที่เป็นอย่างมนุษย์มีความคิดมีจิตใจที่รับรู้รู้สึกได้ใคร้ครวนได้รวมทั้งการที่ยังมีปัจจุบันขณะในสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทําให้เราได้เข้าถึงความพ้นทุกข์ ถ้าถามว่าเกิดมาทำไมหรือว่าอยู่ไปทำไมเนี่ยถ้าตอบอย่างชาวพุทธนะก็คือว่าก็เพื่อที่เราจะได้นะเข้าถึงให้ความดับทุกข์หรือความพ้นทุกข์นี่แหละนะถ้าจ้าพุทาใช้คาว่าเพื่อให้ได้เข้าถึงศักยภาพสูงสุดเท่าที่มนุษย์พึงจะมีศักยภาพสูงสุดของมนุษย์เราคือการความสามารถในการพ้นทุกข์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 เพราะว่าจิตใจไม่ได้ผูกติดไว้กับสิ่งนั้นแต่ว่าสามารถจะใช้ทรัพสมบัติให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ได้เพราะนั้นในพวกเรานี้ก็ขอให้ได้รู้จักนะสิ่งประเสริฐที่เรามีมันมีอยู่แล้วในตัวเราไม่ต้องไปหาที่ไหนอยู่ที่วารู้จักมาหรือเปล่าแล้วว่าสามารถจะใช้มัน เพื่อต่อย่อสร้างสิ่งประเสริฐยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับเพื่อนมนุษย์หรือกับโลกนี้นั้นทําให้ค้นพบหรือไม่รู้จักนี่ก็จะเรียกว่าเสียชาติเกิดก็ได้นะและไมหลายทําให้เราเนี่ยไม่เพียงแต่เสียชาติเกิดแต่ยังสามารถจะทําร้ายตัวเองแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นได้ คนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์นะถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์อยู่กับตัวเราตลอดเวลาแต่เราสามารถที่จะไม่เป็นทุกข์ได้อยู่เหนือทุกข์ได้ถ้าเรารู้จักสิ่งประเสริฐสูงสุดที่เรามีที่เราครองอยู่แล้ว